สูตแรกที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสอนสอ น, นพัะเจ้ามุขีเนาะแต่จิมก็สอนพวกเราเลยนะ mm hmm. เริ่มแรกท่านจะมีบุคคลเป็นแค่ห้าคนที่มรรคธรรมะแต่มาว่าพระพุทธเจ้าท่านมองกไกลๆท่านรู้ว่าท่านตัดเส้นนี้นะก็มันก็คือมันอยู่ตลอด ตลอดอายุพุทธศาสนาเนะี่ยก็จะมีคนเอาคำสอนเนี่ยเอาไปปฏิบัติต่อนั้นข้สูตรทั้งหมดที่พระเจ้าท่านตรัสนะมันเอามาใช้ได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดสถานที่นะนะถ้าเราออกมาใช้ได้พิจารณาดู ด, ดีๆนะส่วนที่เป็นทางสุดโตงสองส่วนนะหรือว่าสองทางเนะี่ย ก็ทำผิดกันตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลหรือสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลก็ยังมีทางที่มันผิดอยู่เช่นนั้นนะแต่ทางที่ถูกก็มีอยู่เช่นอยู่เหมือนกันนั่นแหละทางที่ผิดก็การมาการมาสุขการในการนโยกเนะี่ยื่อการฟัวพัน์นด้วยความไข้ในการทั้งหลายการในที่นี้คือ ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สตาถ้าก็จะโผฏฐัพพะคือการสัมผัสทางกายอันนี้มันนุ่มอันนี้มันสบายนอนที่นอนนุ่มๆมมสบายแอร์เย็นๆสบายไม่ใช่ว่าเราจะมีไม่ได้นะการ การที่เราได้เกี่ยวข้องกับลูกเสียงกินนิดที่มันสบายเราก็สามารถมีไดนะ้อาหารที่ฟันนี่ที่อร่อยเราก็สามารถสัมผัสได้แต่สัมพันธ์คือท่านบอกว่าการปรสุการณีนนในการนิยกคือการการติดจะเรียกง่ายก็คือติดใจนะติดใจแล้วก็เสพแบบเหมือนคนเสพเพราะว่าเพราะมันติด มันชอบนะไม่ใช่ว่ามีไม่ได้นะเราก็มีตามฐานนะตามโอกาสของเราเัแหละแต่เิน็นว่าติดที่ทัานให้รักคือความติดใจนะหรือว่าความคิดถึงมันทนะำแล้วทำเดา เ, เคยกินแบบนี้เคยเที่ยวแบบนี้นะชอบอยากไปอีกนะหรือเมื่อมันผสมกับสิ่งที่ไม่คาดนะไม่คาดหวัง ไม่ถูกใจอย่างที่เคยเคยสัมผัสนะหรือเคยทานวันก็ไม่พอใจ่ย ไ, ไปเข้ากินอาหารด้านนี้นะมันต้องอร่อยแบบที่เคยกินสิวันนี้ไม่อร่อยแบบเดิมก็ตำหนิเขานะนะอะไรเนี้ยเคยเจอคนนี้แล้ว เ, เขาถูกใจเราวันนี้เขาทาไม่ถูกใจก็ก็ทุกข์กใจอันนี้คือ กามัศคานการนยมนะคือความพอใจในในตุกเสียงกินรสโภทภธรรมาลมซึ่งมันเป็นยางเหนียวเนาะที่ทำให้คนติดอยู่กับโลกเพราะว่าการนี่แหละเราจริงล้วก็เกิดมาเพราะการนะบงทีเราต้องมีชีวิตอยู่เพราะกามอะไรชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองสมบัติต่างๆก็หลอกให้คน นะสแสวงหาแล้วก็รักษาเนาะฆ่ากันแย่งกันก็เพราะพวกนี้ทนะั้งนั้นแหลนะเน่ยมันคือหลอกให้คนอยู่กับโลกนะทาโลกนีนะ้โลกนี้ยังไม่พอนะยังหลอกให้ชาวพุทธหรือคนหลายคนก็ทำบุญเยอะๆนะแต่ชาติหน้าจะได้สุขกว่านี้นะได้เจอสิ่งที่มันนะ ชาตนี้มันขาดอะไรแต่ชาติหน้าก็จะได้ไม่ขาดนะก็หลอกกันให้หวังความสุขที่อ น, นาคตที่ชาติหน้านะหรือว่าพบภลุมข้างหน้านมันก็หลอกให้คนติดอยู่กับโลกเท่านั้นแหละเอมันไม่ใช่ทางที่จะสอในให้คนออกจากโรคนะแต่สิ่งที่เราควรฝึกคือือว่าเมื่อเราสัมผัสกับรูปเสียงกินรสผลธรรมะทำอานมณที่ที่เป็นที่น่ารักน่าพอใจ นะให้เรามีสติรู้ทันนะรู้ทันมันไม่ติดมันสนะักแต่ว่าเช่นอาหารอร่อยนะก็รู้ว่าอร่อยก็จบแค่นะั้นไม่ต้องไปคิดต่อว่า อ, อ, อยากกินอีกนั่นนีนะ่อันนี้คือการปูนแต่งนะสัมผัสกับที่นอนที่สบายอากาศที่คดออีก็ดีนะก็ดี แต่เมื่อสัมผัสกับอากาศที่ไม่สบายที่นอนที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรการวางใจแบบนี้นะจะทำให้เราไม่ผิดใจในการประฏิบัติในการโยโย่แม้แต่การปฏิบัติทรรมก็เหมือนกันวันนี้ปฏิบัติแล้วมันดีบันดีแล้วก็ติดใจอยากให้พอวันเช้ามัววันปฏิบัติ ด, ดีวันนี้ปฏิบัติก็อยากให้ดีแบบนั้นอี หลายคนเนะ่ะที่พอเริ่มได้ได้สมาธิได้ิตินะได้อารมณ์ภาษาปฏิบัติว่าได้อารมณ์ปฏิบัตินะทำํำเพลินๆทาสบายๆทำได้เรื่อยๆพอสมมติวันหลังนะมาปฏิบัติอีกมันไม่ได้อย่างที่เคยได้เนะี่ยจะจะเสียใจหรือว่าพยายามหานะถ้ามันเคยสุขนะ่ะมันก็อยากจะได้สุขอีก ถ้าเคยได้ความสบายก็อยากได้ความสบายความเบาเอนะีกแรกๆ ก, ก็เป็นนั้นแหละอาจจะมาเองก็การปฏิบัติใหม่ๆพอได้อารมณ์ก็ดีก็ชอบนเพินพอไม่ได้อกีกก็มันมีความพยายามที่อยากจะได้เราไม่รู้ตัวว่าเราเราพยายามเราทําตั้งใจอยากจะให้มันได้พอมันไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะว่า ปัถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นน thin e <te <ett ten hundred percent> ั่นก็เป็นทุกข์ทั้งที่สิ่งที่ปัถนาก็เป็นสิ an an ่ง SaaS. ที่เราว่ามันดีเนาะปัตนาความสุขปัตนาความสบายปัตนาความสงบปัตนาความรู้ตัวเยอะๆเลยนะแต่ปัถนาแล้วบางทีมันก็ไม่ได้อย่างสิ่งที่เราปัตนามันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์มันก็สอนเรานะ มันทำให้เรารู้ตัวเราวางใจวิดีเราทำเพื่อตั้งเป้าอยากจะได้ความสุขอยากจะได้ความสงบเห็นไหมมันเป็นทุกขนะ์ทุกข์นั่นแหละมันสอนนะเราไม่ได้ก็เลยเป็นทุกขนะ์มันก็สอนเราให้เราขาวหลังก็จะได้นะไม่ไปคาดหวังมากนะเราก็มาพุ่งที่การทำเหตุ ไปมุ่งที่การติดผลกนะารมาสุ ข, ขานในการนิยมทั้งเศที่เป็นวัตถุนะที่สนองให้เกิดความสุขก็ดีหรือว่าเศอารมที่ทำให้เกิดความสุขความพอใจก็ดีดังนั้นในการภาวนาบางทีมันมีความสุขมีความสบายจากจากสมาธนะิหรือจากสติที่มันมากๆหรือจากความรู้ความเข้าใจอะไรเยอะๆนะ มันก็ชวนให้เราติดเหมือนกันนะก็ต้องรู้ถันเนี่ยอันนี้ก็เป็นการมาัศคารในการนิยโยกยัางหนึ่งหรือแม้แต่ที่พระเจ้าท่านสา ม, มารถเข้าสมาธินะ่ได้ระดับที่สูงมากท่านก็รู้ว่าอันนี้ก็คือการมาัศคานในการนิยโยกยันต์เพราะพอออกจากสมาธิแล้วมันก็มันก็ไม่เที่ยงคนระับแต่คนก็อยากจะทาให้ได้แบบนั้นอยู่ในตรงนั้นนา น, น, านที่สุดนะ แต่นานขนาดไหนนะสมาธิมันมีขอบเขตมันมีเวลามันไม่สามารถจะอยู่ได้นานตลอดทั้งปีทั้งชาติแม้แต่พรนะคนที่ได้สมาธิมากมากนะตายไ ป, ปยงหญ่ก็เป็นพรแต่พมก็สุดท้ายก็ต้องมีการดับมันะมเกิดใหมนะ่เหมือนกันเฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันมีขอบมันมีเขตมันมีระยะเวลาที่มัน จำกัดคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนอาหารนนะ่ะมีหมดอายุมันมีหมดอายุของมันนะสมาธิจัดแบบนั้นนะมันมันมีความเสื่อมได้นะตามเหตุตามปัจจัยนะอืนั่นถือการรัศกรในการนิยมซึ่งนักปฏิบัติธรรมไม่ควรไปคล่องแวะแต่ถามว่าเวลาปฏิบัติธรรมมันมีมาให้คล้องแวะไหม มีนะมีนะแต่เราจะทํายังไงให้เราไม่ไปหลงไปติดกับมันนะฮะไม่หลงไปติดกับมันอันนั้นแหละคือสิ่งที่สาคัญสติจะทําให้เรารู้ทันรู้ทันสิ่งที่มันกระทบในด้านบวกนะนะจะเรียกว่าโลกธรรมด้านบวกก็ได้รู้ทันสิ่งที่กระทบด้านบวกด้านสุขนะด้านพอใจ พอเรารู้ทันปุ๊ถ้าสติรู้เฉยๆนะมันก็จะไม่ไม่ติดใจมันก็จะจบแค่ตรอนนั้นหรือเราเผอไปติดใจเผลอไปพอใจเราก็มีสติรู้ทันว่าตอนเนี้ยมันพอใจมันติดใจมันก็จะจบแค่ตรอนั้นเรียกว่าบางครั้งเราก็รู้ทันเวลาที่มันกระทบภาษาพัดเรียกว่าผัดตาผันกัะทบ หรือบางทีไม่ทันการกระทบก็รู้ทันเวทนาเวทนาที่เกิดเป็นความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจรู้ทันตรงนั้นแหละมันจะไม่กลายเป็นอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นในในตรงนั้นมันจะละตรงนั้นได้นี่คือสิ่งที่เรารู้ฝึกให้รู้ทันตรงนี้การมาสุขฐานในการนิโยมันก็จะ มันก็มีนะแต่มันไม่ติดนะนะเราก็สามารถมีสิ่งที่สมควรมีตามตามสิ่งที่เราหามาได้สุดิิดมันก็มีได้นะไปกินอาหารที่ที่อร่อยไม่จำเป็นต้องไปหดหดแต่ยานะก็ได้นะแต่กินแล้วว่าเนะี่ยอย่าไปติดกามันตลอดนะอัฐ ก, กินวาถานโยก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนะบางทีเราก็ทำ ไม่ใช่ว่าต้องไปอดข้าวอดน้ำไปทรมาณร่างกายแบบพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคืออัตถากินนานนโยกเพราะอัตถากินนานนโยกจริงๆคือการการที่เราวางใจนะในการปฏิเสธอารมณ์ต่างต่างนั่นแหละไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่พอใจในสิ่งที่มันเข้ามาในด้านลบน่นะ เช่นเราทำใจขึ้ขนๆะทำใจแน่นๆทำนะอะไรแบบเนี้ยมันคือเราพ ย, ยายามที่จะปิดกั้นอารมณ์เข้ามาปิดกั้นไม่ให้มันพุ่งออกไปนะอันนี้ก็คืออัตถากินมิหานุยชน์คือถ้าปฏิบัติแล้วใจมันหนักๆใจมันแน่นๆนะร่างกายมันเครียดนะในี่จิตใจมันเครียดนะเนะ น, นี่อัตถากินมิหานุยศ์นะ ไม่ใช่ว่าแต่บางทีเนะี่ยเราบอกว่าเราจเจริญปฏิบัติทำอยู่จเจริญพัฒนาแต่ถ้าทําแล้วใจมันหนักใจมันแน่นนะอันนี้ก็คืออัตถิทิฏฐานนิยโญอีกอย่างนึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งทีเ่เราไม่เคยทําแต่จริงถ้าเป็นถ้าเราปฏิบัติทำมันก็จะสุดโต่งแบบเนี้ยนะเบี่ยนไปเบี่ยงมาอืติดสุขบ้าง ลงไปบังคับไปกดข่มมันบ้างมันจะเบี่ยงไปเบียง ม, มาเลยแต่ท่านักปฏิบัติที่มันใหม่ๆเนี่ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหาตรงกลางไม่ค่อยเจอ <c oughs> หรือคาะวะยะโยมทั่วไปก็มักจะจิตกางนะอืมหรือคนที่ออกบวชหลายๆคนก็จะผักใส่การไปเลยก็ไปจิตฝั่งหนึ่งแต่ทางใส่การคืออะไรทางใส่กลางเนี่ย นะคือการเราที่เรารู้ทันความสุดโตกสองด้านรู้ทันแล้วกลับมาเป็นปกติได้อันนี้คือทางใ่กางอาตมาชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนเราขับรถอ่ยมันเหมือนไต่ถนนฝั่งซ้ายนะมันทำให้เราตกนะตกถนนนะนะแต่ฝั่งขวาถ้ามันผันมากเกินไปก็จะเป็นชน้ทนที่สวนมา อันนี่คือมันอันตรายคังคู่ดังนะนะนั้นทางแต่การคือเดนที่เราที่เราอยู่นะเดนที่เราขับแต่ถ้าเราไปบังคับจับวมอะไรแน่นเกินไปเกณฑเกินไปอะมันกมันก็เครียดเนาะเวลาเราขับรถอ่ะเราก็จับวงอะไรแบบไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปนะหลวมเกินไปก็ประมาทใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุเกิด อ, อะไร ถนนลื่นพลาดทางมาก็อาจจะบังคับรถเมย์ได้จําแน่นเกินไปก็เกร็งนะแรกแระพอได้นะแต่พอนานๆนนไปมันมันเครียดมันเกรงนั้นเราจับสบายๆนะเมื่อบางทีมันอาจจะไหลออกไปซ้ายบ้างนิดนึงสติจะทําให้เรารู้ว่ามันเอ็นซ้ายไปหน่อยแล้วนะมันจะตกขอบถนนซ้ายแล้วสติดูว่ามันจะไปติดฝั่งซ้าย มันจะดึงกลับมาจิตก็เหมือนกันเช่นสมมติเราจะไปติตหงไหลอยู่ในการมักคุนนะติดเห็นว่ามันจะติดใจตรงนั้นละมันจะกลับมาคือพอเราเห็นนะมันจะกลับมาเหมือนเรารู้ตัวว่าเราจะขับรถตกฝั่งตายแล้วมันจะดึงพรมเลยกลับมาถ้าเราไม่หลับในแต่ส่วนใหญ่คนนะเหมือนคนดับนในทําไมถึงตกถน น, นเพราะว่า การดับในก็คือการเหมือนเรารหลงไอะ่นะใะใช่ไหมเหมือนคนหลงไหลเนะี่ยหลงใยมีความรักนะก็หน้าพื้นตามัวนะฆ่ากันแย่งกันแต่ก็หลงใยใช่ไหมบางคนงหลงใยในชื่อทีมกิติยศก็ก็หลงอยู่กับมันเหมือนคนหลงยาเสพติด ก, ก็มันไม่มีกําลังนะที่จะออกมาจากสิ่งที่หลง สำคัญนะใช่ไหมบางทีเราก็รู้ว่ามันหลมนะแต่ทำไงเราถึงจะมีกำลังในการกลับมาอ่าอันนี้สําคัญมากนะแต่จริงเราฝึกแบนนะันรู้ทันว่าจิตมันหลงไปละหลมไปพอใจแล้วนะพอใจอะไรพอใจทันตาอะอย่างนี้มองสิ่งนี้แล้วพอใจนะพอใจทำหูเสียงนี้แล้วพอใจ แล้สิ่งที่พอใจมากๆคือพอใจในอารมณ์ในความคิดสะเกตดไหมเวลาที่เราปฏิบัติไอ้ความคิดไหนที่เราชอบนะ่ะมันจะคิดนานไอ้ความคดไหนที่คิดมนะันไม่ค่ชอบนะมันจะซัได้เร็วกว่านอกจากบางครั้งที่มันติดอารมณ์นะพอติดอารมณ์แม่ไม่ชอบนะแต่ก็ตกหลุมเหมือนตกดลุมออกจะดลุมไม่ได้นะเหมือนก็ติดหมนะ ยิ่งพยายามจะออกยิ่งไม่ออกกันติดในลมก็แบบนั้นนะ่ะนะเวลาเราติดบางทีเราไม่รู้ตัวนั้นกันยานมิตรหรือครูบาาจารย์ก็ก็จะมีเพื่วนช่วยตรงนี้ได้นะถ้าเรามีกันยานมิตร ด, ดนะีมีเพื่อนอ น, น, นี่ปฏิบัติธรรมดีคบกันไว้ก็ดีละเวลาเห็นเพื่อนหลงโลกนา น, านๆก็จะเตือนกันบางทีพระไปเตือนอาจจะแรงไปเพื่อนเตือนกันเนี่ยดีนะ ทำไมเธอไม่ค่อยไปปฏิบัติธรรมเลยแบบนี้นะนะก็เตือนกันใช่ไหมอืมเนะี่ยคือทําไมออก็ลังหลงไรกับอะไรขร้นเปล่าเนะั่นะไม่ค่อยทําความเพียรเลยเนะก็เตือนกันเนยะมันจะช่วยได้นะอันทมิตรที่เป็นเพื่อนเป็นคู่เป็นญนะาติพี่น้องกันเนะี่ยช่วยเตือนกันได้นะเนะี่ยช่วยทําให้เราไม่หลงนานเพราะบางทีในขณะที่หลงแล้เราไม่รู้ตัว หรืขนาดที่หลงบางทีเราก็ไม่มีกําลังรู้ตัวอยู่แต่ไม่มีกําลังที่จะออกมาเพื่อนกล้ติช่วยให้ดึงออกมาหรือเตือนสติให้เราออกมาได้นั้นการนี้ก็สําคัญทําให้เรารู้ตัวหรือช่วยเป็นกําลังเห็นเพื่อนหลงมากๆบังคับให้มาเข้าคอร์สบังคับให้มาปฏิบัติธรรมบ้านบังคับให้มาอยู่วัดบ้าง น, น, นะ ก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันคือเขาเคยมาแล้วมันก็โอเคอันนี้คือเป็นการเตือนกันเป็นการช่วยกันส่วนผัสสะกินไมทานนโยกนะก็เหมือนอีกฝั่งหนึ่งก็อันตรายเหมือนกันแต่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่บางทีนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มักจะทําคือการบังคับ บ, คบับงคับบังคับตนเองเขี่ยวตนเองจนเครียดหนึ่งนะ บังคับใจตัวเองเกินมันตึงอัดมันกดคือล้ายง่ายๆคือเปอ็นกดอารมณ์เป็นข่มอารมณ์เป็นข่มความคิดนะไปห้ามมันนะอันนี้คือทำใึ้โตกในการไปบังคับตัวเองเกินไปนี่นคือเราให้เราดูทันนะเวลาปฏิบัติมาเลยบอกว่าให้หายใจสบายๆนะให้นั่งสบายๆนะเดินสบายๆ ให้เป็นธรรมชาตนะิให้ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันให้พวกนี้ยมันจะทำให้เราไม่เ ค, เครียดนะแล้วเราก็คอยรู้สึกตัวในการจะทำที่มันเป็นธรรมชาตินี่แหละนะแต่บางทีพอทำไปนานๆ น, นะถ้าหลายคนเคยเก็บอารมณ์หนระหลายคนเคยปฏิบัติแบบต่อเนื่องหลายๆวันนะ จะรู้เลยว่าบางทีมันจะเผลอเข้าไปเข้าไปเป็นแบบนั้นง่ายอืเผลอเข้าไปเหมือนพอเราอยากจะได้ผลอพอทําไปนานๆเรื่อยๆแต่มันจะเริ่มตึงๆข้างหน่อยเริ่มตึงๆเพรามนมีความต่อเนื่องมีความอยากยิ่งถ้ายากมากยิ่งตึงมากแต่ถ้าใครวางใจได้ถูกมันก็อาจจะตึงข้างหน่อยแล้วก็จะปรับครา้นี้ก็จะสบายไปเรื่อย เนะี่คือหลายคนนะปฏิบัติแบบเข็บอารมณ์หรือไปเข้าคอสหลายวันที่เขาไม่ให้พูดนะพอออกจากคอสบางทีถ้าไม่มีสตินะจะพุ้งแรงเลยมันเหมือนเป็นกดเป็นกดเป็นกดอะไรไว้พอออกมาฟุ้งเคยแม่งแบบกดทหารด้านพิดเลยนะ <c oughs> ออกดทหารนะพอออกมามันอยากกินนั่นกินนี่เยอะเลยมากถ้าเราไม่มีสตินะ กนไปก็เสียเผ่ากลับไปก็ไปกินไปกินของที่มันเป็นชิดกลับมามันเดิมไายคนไปแบบนนะั้นบางคนไปปิดวาจาเป็นสิบวันเนี่ยสมมตินนะไปเข้าคอเป็นสิบวันปิดวาจากลับมาเนี่ยวันสองวันแรกเนี่ยฟุ้งว่ามันร่วออกมาเพราะว่ามันมันกดไงมันไม่ใช่เป็นการเห็นว่ามันอยากพูดกอเพล็กก็มีสติไป พอออกมามันไม่รู้ทันความอยากพูดมันก็พูดแรงเลยมันก็เลยเสียถามว่ากรมาฐานจะดีไหมจะดีแต่พอกลับมาแล้ถ้าเราขาจะติอารมณ์วคเนี้ยมันกดมันคมอ่มันก็เลยรั่วออกมาหรือบางคนทําแบบนั้นอาจจะโกรธคนอื่นง่ายๆเช่นเราอยากจะรักษาความสงบเยจะรักษาตัวนี้ไว้พอมีอะไรมันกระทบ เสียงดังคนอื่นทําไม่ถูกใจนะ่ะมันจะไปเค่งโทษคนอื่นไปนโกรธคนอื่นง่ายงนั้นสมาธิบางทีมันก็ดีนะแต่บางทีถ้าติดสมาธิมันจะกลายเป็นคนโทสะแรงนะกลายเป็นคนที่พอเวลาหลงก็ก็หลงแรง่หลงปกตนะินั้นตราจะทำไงถึงจะรู้ทันนะที่จริงพยายามฝึกอย่างที่เรารู้กายนะพยายามรู้ ให้เรารู้สึกตัวว่ามันร่างกายมันมีความตึงมีความเครียดส่วนใดที่เกิดจากการที่มันตั้งใจเกินไปไหมให้เรารู้ทันเหมือนถ้าใครยิ่งใครเคยฝึกโยคะมามายิ่งดีนะเพราะเราจะสังเกตร่างกายได้ได้ชัดขึ้นว่าร่างกายส่วนไหนเขาเกรงเขาเครียดเขาดูไม่เป็นธรรมชาตินะเราก็สังเกตแล้วก็ปรับนะ อย่งนั่งตึงๆแบบนั้นะของคนไม่รู้ตัวนะต้งคิดว่าต้องตึงแบบนี้่นะ อ, อ๋อที่จริงแบบนี้มันพอดีกว่านะใช่อห ม, อมยกลมือก็เหมาอกันบางทีเราต้องที่ก็ยกจนต้นเหนื่อยแขนนะโดยจนกลมเราเก็บมือเก็บไม้ก็เหมือนกันบางทีก็ไม่รู้นะมาสังเกต บ, บางท่าแบบทําท่าแบบนี้นานๆไม่ปวดเมื่อยแล้วนะคือ <c ười> มันมาคิดธรรมชาติไปหน่อย พอร่างกายเขาเขาแสดงอาการตึงหรือว่าไม่ปกติเนาะให้เรารู้ทันพอเรารู้ทันร่างกายที่มันตึงพอปรับร่างกายมันจะมีส่วนช่วยไปปรับใจะปรับร่างกายนะบางคนสังเกตร่างกายมันตึงก็ไม่ปรับร่างกายทําให้ปรับใจต่อหรือเราเห็นมันหายใจสั้ น, นหายใจถี่แต่ว่าร่างกายก็เครียดนะ เราหายใจยาวขึ้นหายใจสบายขึ้นปรับลมหายใจมันก็มีส่วนในการปรับใจจะเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้หรือบางคนรู้เท่าทันที่จิตใจจิจจตใจตอนนี้มันตึงจิจตใจตอนนี้มันเครียดจิจตใจตอนนี้มันตึดอัดเราเห็นจิตใจเป็นแบบนี้มันจะคลายมันเหมือนเรารู้ตัวว่าที่มันกำแน่นมันจะคลายปุ๊บมันคลายที่ใจ มันก็มาส่งผลที่ที่การกระทําที่ร่างกายก็มีนะจะเริ่มต้นหรือเห็นที่ตรงไหนก็ได้นะให้เรารู้ทันนะมันจะเป็นตัวปรับความสมดุลแล้วเว่าปฏิบัติธรรมแบบนี้แหละมันเหมือนพอเรารู้ทันสิ่งที่มันสุดโตงนะมันจะมันจะกลับมาเป็นปกติสุดโต่งด้านนี้รู้ทันปุ๊บมันจะกลับมาเป็นกติแต่สภาวะปกติหรือทางสายการเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้จะอยู่นานนะแป๊บ แล้วแล้วแค่นี้ปุ๊บตรงอยูละเนี่ยแล้วกลับมาสุดตรงอีู่ละเนี่ยแล้วกลับมาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะ่ยเรานะ่ปฏิบัติธรรมเหมือนคนเดินเตะอะไยมไม่รู้ไม่ใช่เราจะเดินตรงทีเดียวเลยนะเหมือนคนเดินเตะนะเตะซ้ายเตะขวาตรงกลางบ้างเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่ไม่หยุดเดินเป๋ยังไงก็ไม่หยุดเดินเนะย โน้มก็ลุกขึ้นใหม่เป็นแบบนี้นะปฏิบัติทมไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวหรอกแต่เรารู้ว่ามันหลงเอ็นซ้ายเอ็นขวากลับมาจนทั้งจิตมันตั้งมั่นขึ้นนสะติปัญญายมันมากขึ้นทางสายกลางเนี่ยมันจะเดินได้ได้ตรงได้มั่นคงมากขึ้นเมื่อมันจะไปติดฝั่ไหนสติมันจะเร็วมันจะกลับมาได้เร็วนะกลับมาได้เร็ว อย่างที่มาพูดเมื่อวานทิตมันไหวไปนิดหนึ่งไหวจิตมังไหวเนี่ยมันรู้มันรู้ตัวละน่ะมันไม่ทันจะเสพเป็นเป็นชอบหรือไม่ชอบละมันรู้สึกแค่แค่ไหวปุ๊บมันก็จะกลับมาอันเนี้ยคือมันก็จะทําให้เราเดินทางสายการได้ได้มั่นคงขึ้นเนาะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งมันเป็นสูตรที่สําคัญมากนะในการปฏิบัติมาว่า ไม่ใช่เป็นเชิงแค่ทฤษฎีหรอกมันเป็นเชิงภาคปฏิบัติซึ่งให้เราได้ได้สังเกตตัวเราเองสังเกตร่างกายสังเกตจิตใจเนะี่ยสังเกตดูแล้วเราก็จะปฏิบัติตรงนี้ทําให้มันมากนะจะเดินทางใสายการเนะี่ยท่านบอกว่ามั่งคือสิ่งที่ต้องเจริญเจริญแปลว่าทําให้มันมากขึ้นทําให้มันพัฒนามากขึ้น เมื work, ่อเราเจริญมรรคนะที่จริงเจริญมรรคนะมันก็เป็นการรู้ทุกข์นั่นแหละเจริญมรรคเชื่องไหนเราเจริญที่กายที่ใจก็คือทุกข์ก็คืออะไรทุกข์ก็คือขันธ์ห้าว่าจดย่อขันธ์ห้าคือตัวทุกข์เรารู้ตรงที่ขันธ์ห้าก็รู้ตรงที่กายที่ใจนี่แหละเนี่ยขันธ์ห้ามันรู้ตัวเดียวกันนี่แหละนะการรู้ทุกข์ก็คือการเจริญมรรคเป็นอีกตัว ถ้าเรารู้ทุกถูกนะระวังใจถูกเราไม่ไทําด้วยตัณหานี่สําคัญมนากนะไม่ไทําด้วยตัณหาคือทําด้วยความอยากอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเอาหรือไม่อยากจะได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาอะนะแต่บางทีมันก็ไ ม, ม, ม, ม่ใหม่ๆก็ยากนะเราก็อยากปฏิบัติเพื่อให้มันดีขึ้น ปฏิบัติเพื่อให้มันทุกข์น้อยลงปฏิบแบบตั ต, ใบ ต, บตใิให้มันมีความสุขมากขึ้นให้มันเป็นแบบเป็นเป้าหมายได้ไหมแต่ Paul, ตอนทำให้บางเป้าหมายไว้คือเราตั้งเป้าหมายว่าเราปฏิบัติเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะให้มันมีความสุขมากขึ้นให้มันทุกข์น้อยลงให้มันหลงโลกน้อยลงเป็นเป้าหมายแต่ึนตอนปฏิบัติอ่ะดื้อๆเป้าหมายไปบ้าง ไม่ใช่ลืมแบบวางวา ง, งความคาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะถึงนเหมือนเราทํางานนะถ้าเราทํางานแล้วเราคิดเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะดีเนะมันจะใจมันจะกระมักระวายเนาะแต่ที่จริงสําคัญคือเราควรมีสมาธิมีสติในการกระทำใช่ไหมเหมือนเราเดินทางเราไม่ต้องไปคิดถึงเป้าหมายถ้าเราทําถูกนะเป้าหมายมันก็เกิดเองนะ อันนี้นั้นเรามีเป้าหมายในชีวิตนะควรมีเป้าหมายในชีวิตแต่ไม่ควรเอาเป้าหมายมาแบกไว้เพราะมันจะเครียดว่ามันจะทุกข์นะ้ะเราแค่แค่ทำตามทิศทางที่ควรจะทำนะใช้ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องนะแล้วมันก็จะเข้าใกล้นะหือหรือว่ามันก็ถึง ป้าหมายอยู่ทุกขณนะน่ที่เราเดินทางนั่นแหละนั้นนันปฏิบัติธรรมนะมนเราไม่ต้องไปจะเรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนั่นแหละแต่ขณะที่ทำเนะี่ยทํำด้วยความมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทีละขณะหนึ่งมันถือว่ามันเกิดมาก่เกิดผลในหนึ่งขณะจิตอยู่แล้วนะไม่ต้องไปรอที่อนาคตไม่ต้องรอว่าเราต้องเป็นนั่นเป็นนี่ ามายว่าปฏิบัติทมแล้วมันพบความเรียกว่ามาหาตรจันอย่างหนึ่งที่สมมติวิธีอื่นก็อา จ, จะได้เหมือนกันนะเช่นเราพลิกมือเนะ่ะปุ๊บพอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จิตมันก็ปกติของ ม, มันละจิตมันก็ไม่เป็นอะไรละหรือเราจะหลงไปปุ๊บพอพลิกมือกลับมารู้สึกตัวปุ๊บมันก็หายหลงละเราต้องร้ว มันง่ายนะ <c oughs> หรืออย่างที่มาบอกบางทีบางครั้งเราก็สงสัยเราทาถูกเรอทำผิดมาทําเลยพวกมันได้คําตอบเลยเ <c oughs> มื่อกี้จะถูกจะผิดไม่เป็นไรแต่ตอนนี้นได้คําตอบว่ามันรู้สุดๆแล้วมันก็มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปัจจุบันแก้ด้วยการกระทําเยไม่ได้แก้ด้วยความคิดมัน ไม่ต้องเอาเหตุผลไม่ต้องอะไรมากแต่ก่อนมันก็เป็นคนคิดมากติดในเหตุผลเนาะเราก็เรียนทั้งโลกมาเลยว่ามาว่าคล้ายๆกันนะ่ะเราเรียนมาเอาเหตุเอาผลเอาสูกเอาผิดเอ่อเอาดีเอาไม่ดีนะแต่ภาวานาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนละทั้งละทั้งหมดนะแต่มันเป็นการทําเหตุนั่นแหละกนะารปฏิบททัติทํามคือการทําเหตุเนะ่ะคือทําไปเลยบางที การรู้มากนะหรือการที่ว่าเราเก่งมากบางทีมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันผรูบาอาจารย์บางทีท่า น, นบอกให้ทำแบบโงโงๆแต่ไม่ใช่แบบโงโงๆแล้วแต่ทำแบบเหมือนคนไม่รู้อะไรบ้างก็ดีคือแค่ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆมันง่ายนะทำแนบไปเรื่อยๆแต่ก็สังเกตตัวเองบ้างว่ามันใจมันหลงไปติดหรือเปล่าหรือใจไปแ บ, บะไปหรือเปล่าก็สังเกตตานะั้น ไม่สังเกต น, นะแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดูผลว่ามันเสถีอย่างไรนะนะทำแบบนนะี้ยิ่งถ้าใครแบบวางใจได้ดีนะทำใจกลางๆสบายๆได้ดีนะภาวนาจะง่ายมากแต่จริงก็ไม่ใช่การทำหรอกมันคือเหมือนพอเราจับหลักได้แล้วมัน อ, อ๋ที่จริงมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ก่อนคิดว่ามันยากนะต้องทำนั่นต้องทำนี่ ต้องไม่ทำนั่นต้องไม่ทำนี่แต่จริงนี่ยใช่ไหมการมือรู้สึกตัวแม่มือรู้สึกตัวเองมันไม่เห็นไม่เห็นจะยากเลยเพราะความรู้สึกมันก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมหรืออารมณ์หรือความรู้สึกมันเกิดขึ้นที่ใจนะใครรู้ก็เรารู้นะ ไม่ต้องไปรอถามใครเราก็รู้ได้เฮ้ยใจตอนนี้เป็นอย่างไรนะปกติไม่ปกติเปล่าปกติก็รู้ว่าปกติหรือไม่ปกติเราก็รู้ว่ามันไม่ปกติก็ถูกนะอ่รู้อย่างที่เข้าเป็นนั่นแหละถูกละคือเราเห็นใจที่ปกติเราก็ไม่ไปอยู่นะเราเห็นมัน เ, เห็นใจที่มันไม่ปกติเราก็เห็นมันเนี่ยพ้นจากทุกคืออะไรทุกคือขันห้าเป็นตัวทุกพ้นจากทุกคือเห็นขันทั้งห้ามันเป็นทุกไม่ได้เข้าไปยึดมั่นในขันทั้งห้าเนี่ยพ้นคือการเห็นถภ า, าวะที่เห็นสม า, าวะาที่ดูแล้วก็ไม่ไม่เข้าไปอยู่นั่นแหละ คือสภาวะความพนทุกข์ซึ่งเราสามารถทำได้นะเนีน่ยคือทำไปบ่อยนะเราต้องจะเห็นผลตัวนี้เองนะก็ฝากไว้